ที่ผ่านมานะก็ได้พยายามเร่งทำหนังสือเพื่อจะแจกในงานวันที่6ดีอนะที่จะปร่งศพหลวงพ่อที่จริงก็เตรียมมาตั้งแต่สามสีเดือนที่แล้วแนละ้วพอหลวงพ่อท่านบอกว่าป่วยคราวนี้คงไม่หายนะตายแน่พวกเราก็เริ่มนะตาเตรียมกันละทำหนังสือเพื่อที่จะถวายท่านในในงาน โนะปรง่งศบซึ่งตอนนั้นก็ไม่ร่วมเมื่อไหร่ระหว่างที่เตรียมเนื้อหาก็ได้ค้นหาภาพที่จะใช้ประกอบหนังสือก็ได้เห็นภาพเก่าๆนะซึ่งสมัยนี้หาดูได้ยากแล้วนะภาพหลวงพ่อสอนเด็กเล็กที่ทำมาไฟเมื่อปีสองหนึ่งภาพหลวงพ่อนั่งนั่งฉันนะ ชั้นบาตนะชั้นด้บาตเป็นแถวนะกับพระนะบนข้างบนนี่นะเพราะสมัยก่อนนี่เราทุกอย่างทํางข้างบนข้างล่างนี่มันจะเป็นพื้นพื้นดินอยู่บางภาพก็ไม่มีคนนะมีแต่สะพานเป็นสะพานเมื่อทักยี่สิบปีที่แล้วแล้วก็สิปีที่แล้วก็มีในภาพเหล่านี้เนี่ย สมัยโน้ตเนี่ยมันเป็นภาพที่แสนจะธรรมดาสา ม, มัญ น, นะไม่มีอะไรพิเศษเท่าไหร่เพราะมันเป็นกิจวัตรประจําวันของหลวงพ่อหรือว่าของพระในวัดแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นภาพที่มีค่ามากความมีค่าส่วนก็คือว่ามันเราหาภาพแบบนี้ไม่ได้แล้วและความมีค่าของภาพเหล่านี้ส่วนนก็คือมันทําให้ได้เห็นประวัติความเป็นมานของหลวงพ่อก็ดีของ วัดป่าสุกโตก็ดีแม้แต่สะพานนะที่ทำกันอย่างง่ายๆตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วนะแต่มันก็ทำให้เห็นว่าสมัยก่อนเราก็อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากนะแมกระทั่งไม่ใช่ใกล้ชิดแต่ต้นไม้อย่างเดียวนะยังใกล้ชิดกับสาด้วยนะเอาเท้าหยาไปสักหน่อยก็ถึงน้ำละ เดี๋ยวนี้นี่สะพานมันสูงแลยิ่งหน้านี้นี่สะพานมันสูงดูเหมือนสะพานมันสูงมากแต่สมัยก่อนนี่เดินไปโดยเฉพาะหน้านี้เนี่ยเอาเท้าใหญ่น้ําได้เลยนะ mm hmm. มันก็เป็นความใกล้ชิดธรรมชาติแบบหนึ่งซึ่งหาไม่ได้และในเวลาเดียวกันก็เสียดายนะว่ามันมีภาพหลายภาพที่ควรจะถ่ายเอาไว้แต่ก็ไม่มีใครถ่ายอยเช่นภาพคนที่ขึ้นเขาสมัยก่อนนี่มันไม่มีถนน จากแก้งคร้อมาจะขึ้นมาจากแก้งคร้อก็ต้องปีนเขาขึ้นมาพวกเราตอนที่มาทำท่อ ป, ปะปาข้าวปีสองสามก็ปีงขึ้นมามีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ภาพชาวบ้านขนข้าวขึ้นมาอันนี้ก็เป็นภาพที่ตอนนี้เนี่ยมีค่ามากนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครเก็บเอาไว้เลยหรือแม้แต่ภาพ หมู่บ้านถ้ามาไฟตอนที่ยังไม่มีการเทปูนยังไม่มีการลาดยางเนี่ยก็เป็นแต่ลูกรังมันเป็นสภาพของชนบทจริงๆนะตอนนั้นเพียงแค่มีถนนลูกลังอย่างเนี้ยมันก็ทำให้เห็นถึงความเป็นชนบทแต่ว่าพอจะตามหาภาพเหล่านี้เนี่ยหาไม่เจอหาไม่ได้สาเหตุ ส, สาคัญก็เพราะว่าไม่ได้ถ่ายเอาไว้ที่ไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่า มันธรรมดาไงความธรรมดาของวันนั้นเนี่ยมันกลายเป็นความความแปลกหรือว่าความมีคุณค่าในวันนี้มันไม่ใช่แค่แปลกเดียวแต่มันมีคุณค่าด้วยนะแลวที่จริงแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เราเห็นวันนี้เนี่ยนะภาพที่เราเห็นตอนนี้เห็นด้วยสายตาตอนนี้ไม่ว่าจากมุมไหนก็ตาม ผ่านไปยี่บปีสามสิบปีมันจะมีค่ามากแต่วันนี้เราเห็นว่ามันธรรมดาอันนี้ก็ทำให้ได้ได้ได้ข้อคิดนะว่าไอสิ่งที่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะมันสามารถจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมาได้มันกลายเป็นสิ่งที่มีความสาคัญขึ้นมาได้หลายอย่างไม่ต้องรอให้เป็นให้เวลาผ่านไปไม่ต้องรอให้ มันกลายเป็นอดีตอันไกลพ้นใต่ก่อนนะถึงจะเห็นว่ามันมีคุณค่าแต่ว่ามันสามารถจะมีคุณค่าได้ให้เราประจักษ์ได้ตั้งแต่วันนี้อย่างเช่นการที่เราเดินเดินนั่งนอนด้วยความรู้สึกตัวมันก็แสนจะธรรมดานะไม่เหมื่อนคนที่นั่งสมาธิแล้วก็นั่งทางในเห็นเห็นแสงเห็นสี สามารถที่จะส่งจิตไปสวรรค์ลงนรกได้หรือว่าดำดินมบินบนได้อันนี่คล้ายๆก็ว่ามันแปลกนะไอการที่ยืนเดินนั่งนอนด้วยความรู้สึกตัวยังมีสตินี่มันธรรมดามากเลยแต่ว่ามันเป็นความไม่ธรรมดานะท่านติณธันต์ตนะบอกว่าการเดินบนพื้นโลกเนี่ยเป็นปาฏิหาริยนะ์ไม่ใช่การบินไม่ใช่การห่ะ ไม่ใช่การดำดิลนะการเดินบนพื้นโลกแต่ไม่ใช่เดินอย่างคนทั่วไปนะเดินอย่างมีสติเดินอย่างรู้สึกตัวเดินอย่างจิตรับรู้ในปัจจุบันขณะก็จะสัมผัสได้ถึงความอัศจรรย์ในปัจจุบันขณะนี่มันมีความอัศจรรย์เทียบเลยนะเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นเพราะใจไม่รับรู้ใจมันปิด ท่านเจตนทานท่าเขียนว่าท่านเคยไปเยี่ยมท่านเมื่อเดือนมักเดือนในสายุนปีที่แล้วนะที่ปากช่องแล้วก็ท่านก็มอบให้หมอบลายมือที่เป็นหลายผู้การของท่านมาให้ท่านเขียนว่าเป็นภาษาอังกฤษนะแปลว่าปัจจุบันขนาดเต็มไปด้วยความอัศจรรย์นนะปัจจุบันปัจจุบันขนาดเต็มไปด้วยความอัศจรรย์นนะ เป็นความอัศจรรย์ที่ไม่ใช่อะไรเลยนะก็คือมันทําให้เราได้ได้เห็นกายเห็นใจแล้วก็ได้เห็นความจริงเกี่ยวกับกายใจสามารถจะเข้าถึงสัจธรรมลึกซึ้งเกี่ยวกับกายและใจได้เพียงแค่เราอยู่ปัจจุบันด้วยนี้พระเจ้าจึงตรัสว่าเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่ง่อยง่ายคลอนแคลนเขาวควรเขาวควรพ่อพูนาการเช่นนั้นไว้ ผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจง้งธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านี้ก็ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏเห็นด้วยตารับรู้ด้วยตาได้ยินด้วยหนะูแต่ว่าสามารถจัสัมผัสด้วยใจเช่นธรรมารมอันนี้คือธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าถ้าเห็นอย่างแจ่มแจ้งอย่างชัดเจนนะต้องทําให้ต่อนเนื่องเพราะว่าการพ้นทุก์เนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้นะประตูสู่ความพ้นทุกเนี่ยมัน เกิดขึ้นจากการที่เราได้อยู่กับปัจจุบันเคยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าวันวันท่านทำอะไรพุทธเจ้าก็ตอบว่าก็ยืนเดินนั่งนอนนะพนพรามมัก็แปลกใจว่าแค่นี้เองหรือนะไม่มีอะไรพิสดารเลยนะพะพุทธเจ้าก็บอกว่าเรายืนเดินนั่งนอนก็จริงแต่ว่าเราเมื่ อ, อยืนก็รู้สึกตัวเมื่อนั่งก็รู้สึกตัวเมื่อเดินก็รู้สึกตัวเมื่อมอก็รู้สึกตัวนะคนที่เรียกว่า เทวดามาร์ธมก็เคารพนับถือนะยอมรับภาษาสมัยใหม่เรียกว่าซูฮกนะว่ามีความสามารถมากเนี่ยท่านก็ทำเท่านี้แหละหรือว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ท่านทำเป็นหลักแสนจะธรรมดามากเลยนะแต่มีคุณค่ามีความสำคัญมากอันนี้ก็คงจะรวมไปถึงการทำอย่างอื่นด้วยหนะ้าที่เราอาจจะเห็นว่าธรรมดาเช่นการทำความดีนะความดีความใส่ใจ ผู้คนแต่ว่ามันสามารถจะเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อคนอื่นได้อย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านก็หลายหอย่างที่ท่านทำนั่นก็ธรรมดาธรรมดานะท่านรดน้ําต้นไม้ท่านเดินนะท่านขุดดินบ้างหรือว่าท่านเดินเถินไอความธรรมดาอย่างนั้นเนี่ยนะสำหรับหลายคนเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าแปงไว้ด้วยความ สงบแฝงไว้ด้วยความหนักแน่นมั่นคงและก็เมตตาบางทีความไม่ธรรมดามก็แสดงออกจากความธรรมดาของผู้คนนะแต่ถ้าตาเราถึงเราก็จะเห็นว่านั่นไม่ธรรมดาแต่ถ้าตาเราไม่ถึงเพราะใจเราไม่ว่างก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าใส่ใจนะแต่ก็ถึงแม้ว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยในแต่ละวันเป็นธรมธรมดาธรรมดา แต่วันนี้มันไม่ธรรมดาแล้วนะเพราะว่าไม่มีให้เห็นแล้วนะก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ว่าสําหรับคนที่ได้เห็นก็ถือว่าเป็นบุญตาแล้วก็น่าจะมาเป็นแบบอย่างในการมา ป, ปฏิบัติให้ความธรรมดานั้นได้เกิดขึ้นกับจิตใจของเรา <analyze> เกิดขึ้นกับกายวาจาของเราด้วย <S <S <S เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งมวลอ่ะแล้วก็เตรียมรับพร